ยอดเยยมพุทธบริษัทในหน่วยงานของเราในนามของท e ีโอทีเนมีความประสงค์อันงดงามแล้วก็เป็นสระแก่นสารเนื่องในวันคล้ายหรือวันถึงวันมาคบูชาถือว่าเป็นวันสำคัญ ในทางพระพุทธศาสนาที่เป็นวันหลักๆอยู่จากสามอย่างด้วยกันที่เรียกว่าวันมาฆบูชาเป็นเดือนสามวิสาขบูชาเป็นเดือนหกอาสาหะบูชาเป็นเดือนแปดเราทั้งหลายก็ถือว่าเป็นวันสำคัญวันนั้นไม่ได้สำคัญมี ความสมำเสมอกันนั่นแหละหากแต่ว่าวันนั้นเป็นวันที่มีความหมายมีเหตุการณ์มีกุศลอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในวันนั้นวันนี้ที่ว่าสำคัญในวันต่างๆเท่าที่มีมานั้นเรียกว่าวันมหาสังคณิบาต การประชุมสงฆ์ครั้งยิ่งใหญ่โดยมีได้นับหมายและผู้มาประชุมก็เป็นจำนวนมากข่านุ่เจริญทั้งหลายโปรโดสังเกตดูตรงคำที่ว่าจะตุรงกสันนิบาตแปลว่าการประชุมอันประกอบไปด้วยองค์สี่หมายความว่า พระอรหันต์พันสองร้อยห้าสิบรูปมาประชุมพร้อมกันโดยมีได้นัดหมายวันนั้นเป็นวันพระชีพระองค์ทรงสแสดงอุวาทปาติโมกคือคำสอนที่เป็นประธานองค์คำสอนทั้งหลายวันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนสาม ล้วนเป็นความหมายในการประชุมที่มีความสำคัญจนถึงทุกวันนี้ที่เราเรียกว่าวันมาคบูชาอยากจะจับใจความให้ท่านเข้าใจตรงที่ว่าการประชุมมีพระสงฆ์ล้วนเป็นพระอาหารหันต์ขีนาศบ ผู้สิ้นอาสวะแล้วล้วนจะเป็นเอหิปิขุประสัมพทาบวชจากพระโอษของพระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นการประชุมที่มีจำนวนมากที่วันประชุมนี้มีความหมายและมีครั้งเดียวในโลก หรือในพัตตะกับก็ว่าได้หรือในโลกก็ได้เพราะความหมายไม่ได้สำคัญตรงที่จํานวนมากจํานวนน้อยจํานวนน้อยหรือจํานวนไม่ได้นัดหมายความหมายที่โลกหาไม่ได้อีกแล้วก็ตรงเดีวว่าการประชุมประธานองค์ประชุมแล้วก็สมาชิก ผู้มาประชุมตรงนี้ตังหากที่ในโลกจะไม่มีหรือมีไม่ได้หรือมีได้ยากจริงอยู่การประชุมจำนวนหลายหมื่นหลายแสนก็ว่าได้แต่ผู้ที่เข้าประชุมหรือประธานองค์ประชุมนั้นจะไม่มีบุคคลใดเป็นแบบนั้นอีกแล้ว ท่านูเจริญทั้งหลายจะเห็นได้ว่าเป็นการประชุมเพื่อสันติภาพของโลกอย่างแท้จริงเพราะอะไรเพราะสมาชิกผู้ประชุมนั้นล้วนแต่เป็นผู้สะอาดเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นพระอรหันต์ไม่มีความเห็นแก่ตัวผักพวกของตัวเลยแม้แต่น้อย เป็นผู้สะอาดหมดจดอย่างแท้จริงซึ่งหาไม่ได้อีกแล้วสององประชุมหรือประธานเท่ประชุมอันได้แก่พระสมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นยอดแห่งผู้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดมองเห็นประโยชน์แก่โลกเพราะเะนั้นองค์ประชุมการประชุม ในวันนี้ที่ว่ามีความหมายก็ตรงที่ความหมายอย่างอื่นเทียบไม่ได้หาไม่ได้อีกแล้วผู้สะอาดทั้งผู้ที่มาประชุมและก็ประธานที่ประชุมจะไม่มีท่านผู้ใดเลยที่มองเห็นประโยชน์ตนหรือประโยชน์ส่วนตัวหากแต่ว่าประโยชน์หรือจุดมุ่งหมายในการไปรชุมนั้นเพื่อสันติภาพ ของโลกอย่างแท้จริงเพราะนั้นจะเรียกว่าวันนี้เป็นวันสันติภาพของโลกอย่างแท้จริงก็ได้แต่เราก็เรียกตามภาษานยมว่ามาฆบูชาซึ่งเป็นชื่อของเดือนไม่ต้องอธิบายมากมายนักแม้เพียงแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าเป็นความสำคัญและเป็นความหมายที่สูงสุด โดยที่หาคำอื่นคณะอื่นโอกาสอื่นมาเปรียบเทียบมิได้เลยแม้แต่น้อยนี่คือความหมายอย่างแท้จริงกองวันประชุมวันนี้อดังกล่าวแล้วว่าเป็นการประชุมเพื่อสันติภาพองโลกอย่างแท้จริงไม่มีสิ่งใดเลยที่แอบฝังเพื่อประโยชน์ส่วนตัวพักคพวกของตัวส่วนรวมของตัว ซึ่งตรงกันข้ามที่เขาไปชุมทั่วโลกแม้จะมากมายอยู่ในห้องแอร์ห้องสงบเท่าไหร่เอาก็เขาเหล่านั้นสมาชิกก็ตามประธานก็ตามโลนแต่มีอะไรติดีดลูกคิดไว้เพื่อตัวพักพวกของตัวนั่นแหละเทียบกันไม่ได้ก็ตรงนี้เอง เพราะฉะนั้นการที่เราท่านทัง้งหลายมุ่งหมายล้วเกินวันมาคะแต่ละครั้งก็จะบำเพ็ญกุศลอย่างแท้จริ ง, งโดยการสแสวงหาตั้งแต่ทาบุญตักบาตรธรรมดาฟังกระแสธรรมและบูชาด้วยการเอาเวียนเทียนด้วยทุกเทียนดอกไม้เราเราชื่อว่า เป็นวันสันติภาพของโลกอย่างแท้จริงนั่นเองอนี้เธอความหมายในประเด็นแรกทีนี้ประเด็นต่อมาที่เราเห็นว่าผู้เสนอหรือเรื่องในการประชุมของพระสงฆ์ในครั้งนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำลายสิ่งที่เลวสิ่งที่ร้าย ทั้งในส่วนตัวของตัวเองที่อาศัยก่อนแล้วก็เมื่อทำลายสิ่งไม่ดีไม่งามบาปกรรมในตัวเองหมดเรียบร้อยแล้วจึงส่งผู้บริสุทธ์เหล่านั้นไปเผยแผ่สารที่สุขให้แก่ชาวโลกมนุษย์เสียโลกทั้งมนุษย์เทวดาทั้งหลาย เพื่อให้เข้าถึงภาวะแห่งความสะอาดหมดจดต่อไปเท่ากับว่าสิ่งที่ส่งไปนั้นได้เลือกแล้วชำระแล้วสะอาดหมดจดแล้วบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแล้วพระองค์จึงส่งแผ่ไปท่านเหล่านั้นไม่มีท่านผู้ใดเลยที่ยังเหลือความเห็นแก่ตัวหรือ ความไม่ดีไม่งามในตัวล้วนชำระหมดแล้วจึงมีความหมายอย่างยิ่งโดยที่พระองค์ตรัสไว้เป็นหัวใจของพระศ า, าสนาในสามลักษณะว่าสัปปา ป, าปัสสะอาการนังกุสลสูปสัมปทาสจิตตประโยชนทปนังเอตังพุทธานสาสนาัง คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสัพพะปะสะาการนังคือการไม่ทำบาปทำความชั่วทุกอย่างสองกุศลสูปสัมภาการบำเพ็ญปุณงามความดีทั้งหมดให้เกิดขึ้นทุกอย่างสามส จ, จิตะประโยชน์ปนังชำระใจให้สะอาด หมดจุดปราศจากความเศร้าหมองทุกอย่างอยากจะอธิบายขอ้อนี้เพื่อทำความเข้าใจกับท่านเตนึกว่าเว้นจากการทำบาปแล้วให้ทำความดีชำระใจให้สะอาดหรือพูดง่ายๆว่าละชั่วประพฤติชำระใจให้สะอาดสามอย่างนี้ ท่านตรัสว่าเอตังพุทธานาสาสนังเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหมายความมาพุทธเจ้าในอดีตในกับกันอื่นๆก็สอนอย่างนี้แล้วจะมีอยู่ต่อไปก็สอนอย่างนี้มันจบลงตรงนี้อย่างแท้จริงตัวหน้าคิดว่าเมื่อเว้นจากความชั่วแล้วมันก็น้าจะจบ เพราะเรามาได้ทําชั่วอะไรแต่ท่านว่ายังไม่พอต้องมีเครื่องรองรับประกันไว้ทำทําความดีให้ถึงพร้อมเว้นชั่วประกอบดีแล้วน่าจะพอท่านยังต้องให้ชําระใจให้สะอาดเมื่อใจอยังชําระไม่สะอาดหมดจดเรียบร้อยแม้เว้นชั่วได้ อาจจะไม่เว้นต่อไปรักษาความดีได้อาจจะยังไม่แน่นอนแต่เมื่อใจบริสุทธิ์สะอาดหมดจดแล้วสองอย่างข้างต้นจึงรับรองไม่ต้องห่วงว่าจะเสื่อมสลายอันหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจได้ง่ายง่ายพองติตที่ว่าท่านถึางหลายอยากจะได้ผ้า สีผ้าที่เราชอบท่านจะชอบสีอะไรก็แล้วแต่เมียงมีโบราณชาวไทยเราว่าสีนั้นสีนั้นเป็นมงคลแกคนน่คนนั้นคนนั้นเกิดวันนั้นวันนั้นสีนั้นเป็นมงคลโบราณว่าไว้ท่านสุนทรผู้ท่านก็พูดเป็นคํากลอน เพราะดีมันกันแต่แตมาจําไม่ได้เคยจําได้แต่ว่าลืมเลยไม่กล้า ว, ว่าท่านว่ายังไงคือเรื่องสีที่เราถือแต่นิสสีที่เราถือนั้นมันก็ไม่ตรงกันตามความรู้สึกความชอบของคนไม่สม่ำเสมอกันเขาอธิบายจนกระทั่งว่า วันนั้นสวมสีนั้นวันนี้สีนี่อะไรตั้งเจ็ดวันแต่พุทธองค์ก็ไม่ได้ยึดถือไม่ได้เห็นว่าสีนั้นเป็นของภายนอกอะไรจะเปื้อนก็ได้อะไรจะเปรอะก็ได้เพราะฉะนั้นจึงมุ่งสีที่แทจ้จรอันได้แก่สีภายในเว้นจากความชั่วเว้นจากการทำบาป เมื่อเราเว้นจากชั่วได้เรียบร้อยก็น่าจะใช้ได้เพราะแต่ว่ายังใช้ไม่ได้เมื่อเราเว้นจากความชั่วเราก็เป็นคนไม่ชั่วเราเป็นเว้นจากการทำบาปได้ก็เพียงแต่เป็นคนไม่บาปยังไม่เป็นบุญอยู่อันนี้ให้เข็ดให้เข้าใจเว้นชั่ว เว้นจากการทําบาปเราก็เป็นแต่เพียงคนไม่ชั่วคนไม่บาปยังถือว่าเป็นคนดีคนบริสุทธิ์ยังไม่ได้อยู่ต้องทํา้วยเมื่อเว้นชั่วได้เสร็จแล้วก็เป็นคนไม่ชั่วแตนทีถ้าจะเป็นคนดีคนงามคนบริสุทธิ์ก็ต่อเมื่อเรามาเป็นคนบริสุทธิ์กระทาบุญกระทำดีต่อไปเหมือนกับท่าน อยากจะเยิ้มผ้าเอาสีที่ต้องการก็ต้องชำระผ้าให้สะอาดคือซักผ้าให้สะอาดซักผ้าให้สะอาดแล้วได้สีที่ต้องการเลยอย่างอย่างเมื่อซักผ้าให้สะอาดต็เพียงแต่ผ้าไม่สกปรกและสะอาดพร้อมที่จะรับสิ่งเจ ด, ดีที่ต้องการต่อไปแต่เมื่อเพียงแต่ซักแต่เสร็จแล้วเพียงแต่ ได้ผ้าสะอาดผ้าไม่สกรปรกยังไม่ได้สีที่ต้องการต้องเอาสีที่ต้องการมาย้อมจึงจะตรงและจะจบความต้องการที่เราได้อ น, นี้เมื่อเราละชั่ว เ, เป็นชั่วหมดแล้วก็เป็นคนไม่ชั่ว เ, เป็นคนไม่สกรปรกแต่ต้องประพฤติคือทำความดีเรียกว่ากุศลสูประสบมรทาสร้างบุญสร้างกุศล ให้ถึงพร้อมด้วยอันนี้ยังไม่แน่นอนแม้แต่ทำดีแล้วท่านทั้งหลายเราทาเวียนชั่วทำดีก็เคยมีหลายครั้ง เ, เลิกชั่วแล้วก็ทำดีแต่ก็ยังไม่แน่นอนไม่มั่นคงต้องมีข้อที่สามกุสลสูสจิตปรโยธปนัง พึงชำระใจให้สะอาดปราศจากเครื่องเศร้าหมองเหตุชวนให้เกิดการย้อนกลับไปทำไม่ดีอีกอันนั้นจึงได้แก่การชำระใจให้สะอาดปราศจากความโลภความโกรธความหลงบริสุทธิ์หมดจดแล้วจึงจะพ้นจากภาวะอันนั้นมีอยู่ทั่วไป ชาวโลกที่ทำความผิดต่างๆเล็กๆในเราจะเป็นความผิดแบบไหนก็แล้วแต่ก็ถูกเขาเอามาลงโทษหลายปีหรือหลายหลายปีก็หมดโอกาสที่จะทำชั่วได้ทำดีอยู่แต่เมื่อพ้นจากตรงนั้นอีกก็ไปทำชั่วอีกกลับมาติดคุกอีกครั้งที่สองที่สามก็มีระวางติดคุกก็เหมือนกับมาเว้นจากความชั่วนั่นแหละ แต่มันก็ไม่พ้นเพราะไม่ได้ชำระจิตใจให้สะอาดหมดจดยังจะเกิดขึ้นเองอันนี้ไม่ต้องอธิบายดัานทั้งหลายก็พอจะอนุมา น, นได้ทีนี้ก็มาจับจุดดูตรงี่ว่าการชำระการชำระใจให้สะอาดใจนั้นจะต้องชำระด้วยหรือและอะไรเอ่ย ที่เป็นความไม่สะอาดทางใจมีอะไรบ้างที่สะอาดแล้วแต่ไม่แน่นอนก็กลับไปไม่สะอาดอีกสักครั้งต่อตอมาได้ท่านจึงใช้ข้อวัดปฏิบัติในการชำระใจให้สะอาดนั้นได้แก่เรื่องศีลสมาธิปัญญา ที่สอนกันมามากมายเหลือเกินทั้งนักบวชครูบาจารย์ก็พร่ำสอนตรงนี้พระพุทธองค์ก็ยึดตรงนี้เป็นหลักสอนปายตัวหรือบรรพบรุษผู้ปกครองผู้มีพระคุณก็มุ่งสอนอย่างนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่า สามารถจะลึกจะตื้นว่ากันได้อย่างไรเอรอเรื่องที่กลับกลอกเร็วนั้นไม่มีอะไรที่จะกลับกลอกกลั บ, ก ล, บกลายเร็วเหมือนกับจิตจิตใจของเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตั้งใจไว้แล้วว่าขนาดสถาบานอ้างสิ่งนั้นสิ่ง น, นี้มาแล้วก็ยังไม่ไม่อดที่จะยังไม่พ้นที่จะกลับ ไปสู่ภาวะเดิมนั่นเพราะเราจำระไม่ถึงที่สุดพระองค์จึงตรัสสอนแนวทางประพฤติปฏิบัติสำหรับคือหัดชนและสำหรับพระสงฆ์ที่ใช้คำว่าศีล ส, สมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่สำหรับ ชำระใจให้สะอาดและเป็นที่รับรองได้โตเมื่อถึงอธิศินสินอย่างยิ่งอธิจิตจิตอย่างยิ่งอธิปัญญาปัญญาอย่างยิ่งสิ่งในเมื่ออย่างยิ่งแล้วมันก็กลับเป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่คือวิธีทรงเนื้อทรงตัวอยู่ท่านหนงหลายถ้าจะพูดตามประวัติของอ่า มาคบูชาที่พูดมาตรงนี้ก็จับสุดยอดตรงยอดที่พระองค์ประชุมพระสงฆ์เมื่อประชุมแล้วหลักการในการประพฤติปฏิบัติแล้วพระองค์ก็แนแนวว่าสมณะควรตั้งตนไว้อย่างไรโดยที่ท่านกล่าวว่า อนุปวาโดอนุปคาโตปาติมโมเขยจะสังวโรพระประชุมวันมาฆะนั้นเสร็จแล้วก็ส่งไปประกาศศาสนาศาสนาจึงแพร่ขยายมาจนถึงทุกวันพระองค์ทรงสำทับสาวกที่จะออกไปประกาศศาสนาให้มีหลักการมีหลักเกณฑ์อย่างไร อย่าไปพูดค้อนขอดเขาอย่าไปพูดเบียดเบียนเขาแล้วเป็นผู้สํารวมอย่างยิ่งในพระปาติโมกปาติโมกเขจะสังวโรให้เป็นผู้สํารวนสํมรวมระวังในศีลที่ตนเองรักษาในปาติโมกให้ได้แล้วก็อย่าเห็นแก่การกิน มัตตัญุตาจะพัฒสมิ่งปันตัญจะศยนาสนังให้รู้จากการประมาณในการบริโภคอาหารตามมีตามเกิดและยินดีในเสนาสนะตามมีตามเกิดไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเบียดเบียนกับใครต่อใครแล้วก็ทรงเติมในเอกว่าอนุปวาโดอนุปคาโตปาติโมเขจะสังวโร หมายถึงว่าอย่าเบี้ยนอย่าพูดค้อนคอนเขาอย่าพูดเบียดเบียนเขาสมณะใดยังเบียดเบียนคนอื่นผู้นั้นไม่ชื่อว่าสมณะรู้จักประมาณมัตตัญญุตาจจพัตตสังิงรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารคือทรงตรัสไว้หมดในอวาทปาเิโมกโยม พูดสับสนไปตมาภาพก็จำลำดับไม่ละเอียดเอ่อนเท่าไรเรานานๆจะได้กล่าวถึงครั้งหนึ่งวันนี้ก็ว่าจะเตรียมมาให้ดีแต่เตรียมไปเตรียมมาก็สับสนแต่ก็อยู่ในความหมายอที่ว่าสามอย่างหลักของพระพุทธศาสนาเว้นชั่วประพฤติจชำระใจให้สะอาดนี่คือหลักภาษาสนาแต่ท่านไปต่างประเทศ ท่านนับถือศาสนาอะไรก็ไปเจ้วนับถือศาสนาพุทธพระพุทธศาสนาสอนว่าอย่างไรเพื่อไม่ให้ผิดโย่อเย่อก็แค่ว่าเว้นชั่วประพฤติชำระใจให้สะอาดแม้เพียงสามคำนี้ก็จะครอบคลุมได้ยรอกติดีกว่าที่เราพูดไปอย่างอื่นออ้างไปอย่างอื่นเพราะอันนี้ครอบคลุมอยู่แล้วยับใจความอยู่แล้วแล้วเมื่อพระองค์ตรัสหลัก อ่ของาศาสนาแล้วก็แนะถึงการเดินการเที่ยวไปเพื่อประกาศาศาสนาแต่ละข้อแต่ละอย่างที่ว่ามาแล้วกระทนกระแท่นอย่าไปเบียดเบียนเขาอย่าพูดค้อนขอเขาไม่เป็นผู้เดือดร้อนในอาหารการกินหรือเห็นแก่กินหรือเห็นแก่เครื่องอยู่เครื่องอาศัยอย่าเบียดเบียนคนอื่นต่างๆนานา อันนี้เป็นสมณะวิสัยอย่างแท้จริงที่จะไปประกาศพศาสนาเาเพียงแค่นี้ญาติโยมกโพออาศัยได้ว่าตั้งแต่นี้ไปท่านทั้งหลายที่ฟังเทศวันนี้อยู่แล้วจะเป็นคนปฏิบัติตามหลักสูตรนี้ไม่ใช่ปฏิบัติได้เฉพาะพระสงฆ์พวกเรานั่นแหละเป็นนักเผยแผ่ศ า, ส, าสนาเราจะเจอจะเจอศาสนาใด อย่าไปค้านเขาแล้วอย่าไปปฏิปักษ์กับเขาเราอยู่เป็นกลางกลางพระพุทธองค์เคยเจอเคยเจอมามากในเรื่องการพูดเจอเจอกับาศาสนาใด้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระองค์ไปเจอเจอนักาศาสนาก็สนทนากันบ้างอะไรบ้างขัดกันบ้าง ตามลัทธินิยมมีอย่างมากมายสมัยก่อนก็มีครูทั้งหกเมื่อพูดอะไรต่อไปแล้วก็อาจจะขัดกันภาษาริบุตรเนี่ยรู้สึกว่าปัญญาของท่านดีมาก เ, เหมือนกับบทตอบเดียไม่ระคายเคืองอะไรสนทนากับนักบวชนอกศาสนาเขาก็อ้างลัทธิของเขามาอ้างลัทธิของเข า, อาของเขามา แล้วก็เราก็อ้างลัทิของเรามาเจ้นี้ตัวเขาจะอ้างลัทธิความเห็นของเขาเขาก็ถามว่าเมื่อท่านฟังลัทธิของข้าพเจ้าแล้วท่านจะมีความขัดเคืองหรือว่ากัดขานข้อนไหนอย่างไรเอท่านก็ตอบว่าไม่เป็นไรท่านพูดอย่างไรก็พูดเถิดตามลัทธิของเขาของท่าน ในแกะในแง่ของการฟังข้าพเจ้าจะตั้งใจฟังและเขารบในมติของผู้พูดส่วนการที่จะเชื่อและปฏิบัติตามหรือไม่ข้าพเจ้าจะเชื่อในปัญญาของตนเองอ่หมายความว่าท่านจะพูดมาอย่างไรฉันก็ฟังได้ผมก็ฟังได้แต่ผมจะเชื่อท่านหรือจะปฏิบัติตามท่านนั้นผมจะใช้สติปัญญาของตนเอง เขาก็ไปด้วยกันได้ย่อมอย่างเออเราจะนั้นการขัดกันซึ่งกันและกันนั้นโดยวาจาโดยละทิในสมัยโน้นจึงมีผู้มีปัญญาก็ไม่ขัดกันส่วนผู้ไม่มีปัญญาก็เถียงละทิกันแม้แต่ทุกวันนี้ก็ยังเอาละทิศาสนาต่างๆมาพูดขัดเครืองกันเถียงกันอะไรตัวอะไรเอาไม่เคารพในความเชื่อถือเราไม่ขัด ในวิธีสอนศาสนาที่พระองค์ทรงทรงพระสงมทั้งแรกวันมาคะนั้นพระองค์ก็พูดแถวนี้แหละอย่าค้นขอดเขาอย่าเบียดเบียนเขาอย่าไรเขาอย่างนี้เมื่อเราทําได้แค่ น, นี้ก็สบายมากเ อ, อพระธรรมคําสั่งสอนใหคนคล่องใจบางอย่างว่าพระธรรมของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก มีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์บางคนก็นึกตกใจว่าเอา้าธรรมะมีตั้งแปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ์จะมีใครปฏิบัติหมดหรือทำตามได้หมดทำวันละสี่ข้อห้าข้อมันก็ไม่หมดตัวอายุร้อยปีก็ว่างั้นคือมันทุกอย่างมันจะต้องมีจุดรวมพระพุทธศาสนา วิธีรองรับพระศาสนาก็มีแค่หลักสามอย่างคือกายวาจาใจท่านเรียกว่ากายยตวานวาจีตวานมโนตวานการเข้ามาของบุญบาปมาทางกายทางวาจาทางใจและการออกไปของบุญออกของบาปก็ออกปากไปทางกายทางวาจาใจมันมีที่จุดรวมเรามาระวัง มาระวังแค่กายวาจาใจก็จะจบหมดยมโลกนี้แค่เข้าใจเพียงแค่นี้จะไม่มีศัตรูหมูป่ปะจามิตจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นสงครามเรื่องไรก็เกิดขึ้นเพราะทุกคนมีสิ่งที่รองรับพระธรรมขันธ์หมดทุกอย่างเท่าเทียมกันคือ ปฏิบัติเอาแค่ที่กายที่วาจาที่ใจเคยอธิบายท่านฟังมาแล้วหลายครั้งว่ามันก็อยู่ตรงนี้ไม่ยากเลยถ้าชาวโลกเอาแค่สามอย่างดังที่พระองค์เคยแนะนำที่รองรับหมายความไงเรามีกายคนในโลกนะเรามีกายเมื่อมีกายกาย ต้องอ่อนน้อมเมื่อมีวาจาวาจาต้องอ่อนหวานเมื่อมีใจใจต้องอ่อนโยนท่านบูญเจริญทั้งหลายตูวคนมีเท่ากันถ้าคนในโลกนี้หรือในหมู่บ้านในประเทศชาติทั่วโลกมีกายเจอะเจอกันแต่ละคนก็ต่างคนต่างอ่อนน้อม เราโค้งคำนับเขาหรือยกมือไหว้เขาหรืออ่อนน้อมด้วยกายคนที่มัวแต่อ้อนน้อมต่อกันจะชกจะต่อยกันได้ยังไงมันก็จบทางกายเพราะกายต่างคนต่างอ่อนน้อมจะนี้วาจาวาจาเหมือนกันเมื่อมีวาจาต้องอ่อนหวานเมื่อคนเจอกันแล้วต่างคนต่างพูดอ่อนหวานต่อกัน แล้วจะไปแฉ่งไปด่ากันได้อย่างไรไปทะเลาะกันอย่างไรเพราะมัวแต่อ่อนหวานจบต่างวาจาเมื่อมีใจใจก็ต้องอ่อนโยนรวมหมดทั้งอ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนน้อมเมื่อใจมัวแต่อ่อนโยนต่อกันและกันแล้วจะไปแฉ่งไปอาคาตพยาบาทพองร้ายกันได้อย่างไรจบแค่นี้แหละท่านทั้งหลาย แล้วทำไมมนุษย์โลกหรือเดือดร้อนระหว่างประเทศหรือสางอาวุธยุธโทโธปกรณ์อย่างมหาศาลมากกว่าจะทำข้าวทำแกงกินราคาสูงเพราะอะไรก็เพราะว่าทำเพื่ออะไรเพื่อไปฆ่าเสือเสงกระเทงแรดที่ไหนหรือหรือไปฆ่าพวกเทวดาเตวบุตรใดหรือหาไม่ได้ ค่าทำไว้เพื่อจะฆ่ามนุษย์ในโลกซึ่งกันและกันแล้วจะต้องแรงลงทุนลงแรงทำอาวุธเครื่องประหารมากมายด้วยราคาถึงเพียงนั้นหรือแค่ตะบองแค่ไม้ตะพดก็สู้กันได้แล้วแต่ก็ไม่เอาต้องเอาอย่างนั้นนี่คือมันไม่ตรงกับ วันแห่งสันติภาพไม่ได้พากันสร้างสันติภาพหากแต่ว่าสร้างสิ่งที่ทำลายโลกไม่ได้สร้างสิงที่ยังโลกให้เจริญยังโลกให้สงบแม้คำพูดก็แค่ปากจมูกออกเสียงมาก็มากมายแต่ที่จะพูดอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมแค่นี้เองจบแล้ว ไม่ต้องไปสร้างอะไรเงินเหล่านั้นสร้างระเบิดปรมาณูเอามาซื้อโตเลี้ยงกินดีกว่าแค่ี้เองพระศาสดาของเราสอนอย่างมีเหตุผลเช่นไหนหนอผู้เราเป็นสารชนิกชนจึงจะมี จ, จิตใจอ่อนน้อมอ่ อ, อนหวานอ่อนโยน และจิตใจเยือกเยน็นและทำยังไงหนอจึงจะช่วยชาวโลกหรือชาวอื่นที่ยังหลงอยู่หรือยังอายนณะอยู่ให้เขารู้จักผ่อนปรนอย่างน้อยให้เบาบางลงเห็นแก่มนุษย์ด้วยการให้อภัยซึ่งกันและกันได้โลกี้จะสงบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงตัดสิไว้อย่างเทตมายกบาลีสุท้ายว่าการเข้าถึงอะไรยึดถืออะไรนับถืออะไรก็ไม่ปลอดภัยอโยจะพุท ธ, ธันจะทำมันจะบุคคลใดเข้าถึงพระพุทธเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงประสงค์และเข้าสู่อรยะสัจสี่นั่นแหละจึงจะเป็นคารการพ้นทุกพ้นภัยอย่างทาวน อย่างสิ้นเชิงแต่เราไม่ได้ปฏิบัติมาเพื่อสายนี้เกือ <c> บ <oughs> หมดเวลาอย่างยู่ก็จับใจความตรงตรงนี้อีกนิดหนึ่งในเรื่องของการรักษาโลกให้สงบไม่มีปัญญาที่จะรักษาใครให้สงบแม้เราเองยังไม่สามารถสอนเราเอง ทั้งทั้งที่เรียนรู้ทั้งทั้งที่มีครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแค่ทำใจพวงเราให้สงบด้วยศีล ส, สมาธิปัญญาแค่นี้เราก็ยังสามารถหาความสงบสุขในชีวิตของตัวเราเองไม่ได้ท่านจึงสอนให้เราแนะนำให้พวกเราอันนี้อย่าพูดถึงชาวโลกพูดถึงพวกเรา ที่มีพระพุทธศาสนาสั่งสอนพระพุทธศาสนาของเราก็มีอาการนับถือเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแค่นี้เองเป็นผู้รักษาพุทธศาสนาอุบาสกอุบาสิกาก็คือพวกญาติโยมภิกษุภิกษุณีเอ่อคือบริษัทรายแก่ภิกษุภิกษุณีไม่มีแล้วท่านวิเจริญทั้งหลาย ศาสนาจะอยู่เย็นเป็นสุขได้งอกงามได้พระองค์มาได้มอบให้ใครเป็นผู้บริหารพระองค์ตัดว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งสี่เหล่านี้เป็นผู้รักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาทรงฝากไว้อย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้เมื่อเข้าใจได้ดังนี้เราจึงมาจัดแจงที่ตัวเรา อยากจะพูดตรงนี้ท่านทั้งหลายาศาสนาที่มองเห็นาศนาสนวัตถุได้แก่วัตถุของาศาสนาวัดวาอารามโบสถ์วิหารเจดีย์ใหญ่โตพระโหาฐานพระพุทธรูปนี่เป็นาศนาสนวัตถุาศาสนธรรมอันได้แก่คำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงแสดงไว้อ่ศาสนบุคคล บุคคลที่จะนับถือพระพุทธศาสนาเต่นี้มันพูดถึงศาสนาวัตถุอันได้เก่สิ่งสำคัญที่มองเห็นของโลกนั้นท่านทั้งหลายเป็นของอุบาเอาเป็นของพุทธบริษัทข้อไหนของพระภิกษุหรือของอุบาสกอุบาสิกาตังหากไม่ใช่ของพระภิกษุพระภิกษุ คือพระสงฆ์เพียงแต่เป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งไตรสิกขาอันได้แกศินสมาธิปัญญาเป็นสมณะผู้สงบสงเสงี่ยมเยือกเยน็นแม้ไม่ปฏิบัติเพื่อช่วยใครเพื่อช่วยตัวเองให้พ้นจากทุกข์และกิเลสธนาให้สะอาดแม้เพียงแค่นี้มรษสทที่สองคือบาสบุบาสิกา ก็ภูมิใจแล้วเขาต่างหากเป็นคนเลื่อมใสแล้วเสียสละเงินสลับสมบัติมรดกเท่าเทียมนั้นเพื่อสร้างวัดวาสวยงามสร้างโบสถ์ใหญ่โตสร้างพระพุทธ ร, รูปน่าอัศจรรย์สร้างพระเจดีย์อย่างมากมายเงินที่สร้างทรัพย์ที่เอามาสร้างาศาสน ว, วัตถุ วัตถุที่เป็นเครื่องหมายของศาสนาะทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรือเอาแค่ประเทศไทยก็มากมายไม่ใช่ของพระสงฆ์หากแต่ว่าของญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาขอเพียงแต่พระสงฆ์เมื่อออกบวชแล้วเประพฤติปฏิบัติเคร่งครัดในพระธรรมพระวินัยอย่างแท้จริงถ้าสามารถสอนโยมได้ก็สอนโยมให้เขาประพฤติปฏิบัติ ในสิ่งที่ดีงามวัตถุเหล่านั้นเป็นสมบัติของญาติโยมเงินของญาติโยมมรดกของญาติโยมคือบาสุกบาสิกบาสิกานั่นแหละเป็นผู้สร้างพระสงฆ์แค่เป็นเพียงประธานหรือเป็นเพียงตั้งตนให้เขานับถือเขาเกิดศรัทธาเองง่ายนิดเดียวหลงแค่นี้ยังจะทำไม่ได้ เกือบจะไม่สามารถรักษาศรัทธาญาติโยมไว้ให้เหลืออยู่มีการกระทำบางสิ่งบางอย่างอย่างทุกวันนี้ก็น่าเป็นห่วงหรือมีข่าวอะไรแปลกๆต่างๆนานาอย่างที่ท่านทั้งหลายทราบแล้วแล้วท่านเป็นคนอถอยศรัทธาเมื่อถอยศรัทธาจะสร้างวัตถุหรือทวารวัตถุก็ไม่เท่าไรแต่เมื่อไม่ถอยศรัทธาอย่างเต็มมา นั่นคือสมบัติของญาติโยมพุทธบริษัทที่เรียกว่ า, าศาสนวัตถุวัตถุของศาสนาศาสนบุคคลบุคคลของพระศาสนาอ่าทำอย่างไรสองอย่างนี้จึงอย่าตั้งมั่นและตั้งอยู่อย่างมั่นคงต่อไปอย่างนี้ตัางหากวันนี้จึงเป็นวันสันติภาพของโลกสันติภาพของโลกก็คือการประพฤติปฏิบัติ ให้อยู่ในร่องในรอยไม่เบียดเบียนชำระ ก, กายเอไม่ทําบาปทําบุญได้ถึงพร้อมชำระจายให้สะอาดยังโลกนี้ให้สงบเพราะยังโลกนี้สงบได้ต่อเมื่อคำนึงถึงวันมาฆะเือวันแห่งการสันติภาพของโลกอย่างแท้จริงที่พระองค์ทรงประกาศมาแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติ เราจึงสอนโยมไม่ทั่วถึงเท่าไรนักโยมก็ตั้งใจปฏิบัติพระสงฆ์ก็ตั้งใจปฏิบัติทุกวันนี้ญาติโยมชาวไทยโดยสายตาของเราแล้วมีศรัทธาเหลือเกินพระสงฆ์ก็ดมสมบูรณ์ท่านผู้เจริญทั้งหลายอาตมานั้นเป็นพระสง์ยุคสงสมัยยุคสงครามเป็นเด็กอยู่ปวดแน่นแล้วปวดพระแล้วอดอยากลำบากอย่างยิ่ง แสนสาหัสและไม่นึกเลยว่าวัดว า, าศาสนาจะเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่อาหารบินตมาตมากมายเหลือเกินจนเกินความจําเป็นเครื่องนุ่งห่มก็มากมายเจตุปัจจัยไตรธานของญาติโยมตุกวันก็มากมายสัตยาเพียงแต่เราตั้งอยู่ในสิ่งให้เกิดสัตย์ก็พอแล้วไม่ได้ยากเลยวิธีปฏิบัติเพราะฉะนั้น ถ้าตั้งใจมุ่งหมายต่อศีลสมาธิปัญญาโดยไม่คิดนอกอาจากนี้เลยก็จะยังพระศาสนาให้เจริญและยังโลกนี้ให้เกิดสันติภาพอย่างแท้จริงตั้งแต่สันติภาพในครอบครัวหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดแม้กระทั่งประเทศชาตินั่นคือรัศมีแห่งพระธรรมหรือรัศมีผลงาน แห่งพระพุทธองค์พระอาหารหันต์ได้ปชุมกันพันสองร้อยห้าสิบองค์ในกลางนั้นเผยแผ่พระพุทธศาสนาแพร่ขยายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติในเรื่องศินสมาธิปัญญาให้ตั้งใจสมาธิปัญญาโยอมก็สนใจมากมีการมาธิปัญญาแบบหลายอย่างเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ เดินแนวทางให้ถูกอย่าให้เกิดทุกข์การปฏิบัติก็เพื่อเปลื้องทุกข์ในตัวเองและความที่ตนเองไม่เป็นทุกข์ความสงบสุขก็แผ่ขยายไปถึงลูกหลานและคนอื่นชาวบ้านด้วยอย่างกว้างขวางจนทั่วโลกเมื่อเป็นเช่นนี้งานวันนี้เป็นเครื่องหมายให้เราทั้งหลายลำลึกถึงศีลสมาธิปัญญา เมื่อเก้เมื่อเช้าเราก็รับศีลรับศีล น, นั้นเพื่อทํากายให้สงบเพราะมีศีลสะอาดบริสุทธิ์อย่างน้อยห้าอย่างแล้วนั่งภาวนาสมาธิก็เพื่ อ, อยังใจให้สงบสะอาดเรียกว่าสักิตะประโยชน์ปะนังขั้นสูงสุดก็คือว่าทําจิตให้พ้นจากภาวะตกต่ำไม่ทุกข์เข้าถึงพระนิพพานในอนาค ต, ตการ อย่างคำสอนที่คนชอบทมอาตอมาบ่อยๆก็ว่าที่หลวงปูด่ดูลันพูดว่าอาถ้าไม่อยากทุกก็อย่าส่งจิตออกนอกเอออย่าส่งจิตออกนอกโยมก็สงสัยว่าถ้าถ้าถ้าไม่ส่งจิตออกนอกแล้วมันจะได้รู้อะไรได้ยังไงทำยังไงได้จิตมันก็ต้องออกนอกอาตอมาภาพอยู่ใกล้ท่านก็ อยากจะถามท่านตรนนี้บอกอรังปูธรรมนาจิตมันต้องออกนอกแม้แต่จิตพระอรหันต์พุทธเจ้าก็ออกนอกไปเพื่ออาศวซอ ง, องดูความสุขทุกข์เด็บไปโปรโดคนนั้นคนนี้ท่านว่าเออจิตมันต้องออกนอกนั่นแหละแต่ว่าเมื่อออกนอกแล้วอย่าไปเกิดเรื่องอย่าไปมีคู่กรณีกับอะไร อ่านั้นออกนอกแล้วมันไม่เกิดผู้กรณีกับอะไรก็ไม่ความว่าเราออกนอกเห็นอะไรจางหูอ้าเห็นอะไรทางตาทางหูก็เพียงแต่ว่าเห็นรู้ได้เห็นได้ออกนอกได้ออกไปเห็นคนเห็นผู้เห็นคนยากคนเจ้าได้แต่เมื่อเห็นแล้วก็ให้อยู่แค่นั้นไม่เป็นผู้กรณีกับสิ่งเหล่านั้นเห็นคนงามก็รู้ว่าเขางามก็จบแค่นั้นไม่ ถ้าจิตเห็นคนงามแล้วรู้ว่างามมแล้วเกิดชอบอเห็นคนไม่งามก็เกิดชังไอ้นั้นก็เกิดเรื่องอ่เกิดทุกข์ออกมาแล้มาเห็นรู้ว่าเขางามก็รู้ว่างามเอองามของเกาบุญของเขาเห็นว่าเขาไม่งามก็เออว่าไม่งามก็เป็นของเขาอย่าให้จิตของเราไปชื่นชมหรือเศร้าโศกกับสิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นอย่างนี้จิตออกไปไหนก็ได้เดยกว่าจิตเชื่องแล้ว เพราฉะนั้นวิธีปฏิบัติของท่านก็คืออยู่ตรงนี้ท่านสนทนากับเพื่อนอสูงสูงมาก็สังเกตดูท่านสนทนา ย, ยัางไงท่านว่าพวกเร า, นะาบุญกุศลต่างๆเราทำอะไรปฏิบัติ ก, กตามสร้างนั่นจะได้ไม่ต้องการบุญไม่ต้องการบาอะไรต้องการอะไรอย่างนั้นก็ต้องการความหมดจดต้องการวิสุทธิคือความหมดจดของจิต บุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาบุญเป็นเหตุให้เกิดขึ้นเป็นคนร่ํารวยบาปก็เป็นเหตุให้เกิดความตกทุกข์ลำบากยากแข็งส่วนความสะอาดแห่งจิตนั้นเป็นการพ้นภัยทั้งสองอย่างนั่นเราปฏิบัติเพื่อตรงนั้นแล้วจิตของท่านจะมีที่อยู่ต่างหากในเมื่อปฏิบัติถึงแล้วท่านบอกว่ า, วาหยุดหยุดเทศหยุดปรุงแต่งหยุดแสวงหาหยุดอะไร ไม่กังวลผลที่ได้คือสงบสงัดสงเงยมสง่างา ม, งามรู้เตือนเบิกบานรุ่งเรืองประพัดสนท่านผู้เจริญทั้งหลายจิตของพระอริยเจ้าอริยบุคคลผู้ปฏิบัติแล้วจะอยู่ตรงนี้อยู่ที่สงบสงเงยมแล้วก็เบิกบาน ไม่กังวลสงบสงัดสง я ยมง่ายกังวลแล้วก็งามแล้วก็รู้ตื่นเบิกบานรุ่งเรืองประพัดสอนเป็นวิหารธรรมของจิตผู้ฝึกดีแล้วจะอยู่ในภาวะอย่างนี้ไม่กระเพื่มไม่เศร้าโศกไม่ตื่นเต้นไปตามอารมณ์ใดๆ นั่นเป็นวิหารธรรมของท่านตั้งหลายเมื่อเข้าใจได้ดังนี้ทุกท่านให้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติแม้จะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็เป็นขั้นที่เราอยู่เย็นเป็นสุขในปัจจุบันรู้เท่าทันถึงอารมณ์ที่ว่าน่ารับหรือไม่น่ารับและเราไม่ต้อนรับกับอารมณ์ที่มวนหมองไม่ต้อนรับกับอารมณ์ที่ยินดีของใคร จิตย่อมกเกษมรุ่งเรืองและเบิกบานอยู่อย่างนั้นเป็นวิหารธรรมของพระรเจ้าทั้งหลายเมื่อท่านปฏิบัติได้ในนักษณะนี้ความเจริญของพระพุทธธรรมประสงค์พระศาสนาก็ายั่งยืนถาวรไม่ต้องห้าพันปีรอกถ้ามีคนตั้งใจปฏิบัติจะอยู่อนันตการเมื่อเข้าใจได้ดังนี้จงเป็นผู้ตื่นเบิกบานรุ่งเรือง สงบเสงี่ยมเยือกเย็นไม่วันไว้กอะไรโดยทักก่วการทุกท่านทุกคนถ้ามีกาถาพอสมควรแก่เวลาเอวังก็เมด้วยพระการฬชนี